เรื่องเล่าผีหลอนตอนยูนิต ท, ที่8ดเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถ่ายทอดโดยท่านสมาชิกหมายเลข403 5026สหจากเว็บพันทิปโดยเขาได้เล่า ว, ว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนผมซึ่งมันมาเล่าให้ผมฟังอีกทีเพื่อนผมคนนี้ผมขอให้ชื่อสมมุติว่าชื่อบอนนะครับบอนมีพี่ชายซึ่งผมสมมุติว่าชื่อพี่บอยก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดตอนที่บอนอายุราวๆแปดขวบส่วนพี่บอยจะอายุห่างจากบอน15้าปีครับ เพราะแม่มันท้องมันตอนมีอายุมากแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวของมันต้องย้ายไปอยู่อำเภอหนึ่งทางภาคอีสานเพราะเรื่องงานของพ่อที่ต้องย้ายไปซึ่งที่ทำงานของพ่อบอลก็ได้จัดหาที่อยู่ให้กับครอบครัวของมันที่แรกก็ย้ายกันมาแค่สามคนมีพ่อแม่และบอล แต่พี่บอยที่เรียนจบแล้วและยังไม่มีงานทำก็ได้ย้ายมาด้วยระหว่างรองานลักษณะของบ้านจะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นชั้นบนมีสองห้องนอนชั้นล่างโลง่งมีทั้งหมด8ยูนิตของครอบครัวบอลจะอยู่ยูนิตที่7เกือบท้ายสุดครับแต่ติดกับครอบครัวบอลนั้นไม่มีคนอยู่เลย นั่นแปลว่ายูนิตที่หนึ่งถึงห้ามีคนอยู่หมดครับแต่ละหลังก็จะมีหลานด้านหน้าไว้เป็นที่จอดรถและมีรั้วแบ่งแต่ละยูนิตมีประตูรั้วปิดหน้าบ้านอีกทีตรงข้ามทาวน์โฮมทั้งหมดจะเป็นที่ดินว่างเปล่ามีกำแพงคอนกรีตที่เจ้าของที่ดินสร้างล้อมไว้แต่ไม่ได้ล้อมหมด ขาดการดูแลพอสมควรเลยมีหญ้าขึ้นรกจนเกือบจะเป็นป่าและซอยที่เข้าไปก็ค่อนข้างเปลี่ยวแต่ไม่ไกลจากปากซอยนะครับแค่ประมาณ 200-300 ถึงเมตรจากปากซอยเท่านั้นเพียงแต่กลางคืนมันจะมืดมากบอนบอกว่าถ้ากลั้นใจวิ่งไม่ถึงสองนาทีก็ถึงตัวทาวน์โฮมแล้วครับในซอย ถ้าไม่รวมทาวโฮมคือมีบ้านอยู่อีกไม่เกินสิบหลังเท่านั้นครับครอบครัวของบอลย้ายมาอยู่เกือบเดือนไม่มีปัญหาอะไรเลยจนวันหนึ่งก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่ยูนิต ท, ที่8ติดกับครอบครัวของบอลเป็นผู้หญิงวัยกลางคนรูปร่างผอมเพรียวผิวขาวซีดผมดกดำแต่ทาปากแดงแจ๊ด ย้ายมาอยู่คนเดียวบอนบอกว่าตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นดูน่ากลัวพิลึกเพราะเป็นผู้หญิงที่แปลกแม่บอนถามก็ไม่พูดยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มตอบไม่ศบตาหลังจากขนของเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยได้ยินแต่เสียงเหมือนคนอยู่ในบ้านปกติแต่ที่ได้ยินบ่อยที่สุด จะเป็นเสียงไอเสียงไอของผู้หญิงคนนี้จะแปลกมากไอแห้งๆแล้วเหมือนมีเสียงกรีดแหลมๆหลุดมาด้วยตอนท้ายๆคล้ายเสียงหมาเวลามันไอแต่พ่อก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งที่พ่อกลับดึกเคยเห็นแกออกมายืนมองพ่อที่หน้าบ้านจ้องขเขม็งแต่ไม่พูดอะไรพ่อยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มตอบ จริงๆแล้วเหตุการณ์แปลกๆเริ่มขึ้นครั้งแรกคือประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผู้หญิงคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่เพราะจู่ๆเพื่อนบ้านหลังที่สองที่เป็นคุณยายอายุราวๆไม่เกิน70สปีก็ออกมายืนด่าผู้หญิงคนนั้นที่หน้าบ้านด่ากราดแบบโมโหมากซึ่งตอนนั้นมีแม่บอล และพี่บอยอยู่บ้านก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเพราะเป็นภาษาอีสานบอนเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ฟังออกก็ประมาณว่าไล่ไปให้พ้นอย่าให้กูเห็นอีกอย่ามายุ่งวุ่นวายกับหลานกูนะอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็งงกันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น กลางวันก็แทบไม่เห็นผู้หญิงคนนี้เลยแล้วแกไปทำอะไรใครเมื่ อ, อไหร่หรือจะเป็นตอนกลางคืนทะเลาะกันหรือเปล่าแต่ครอบครัวบอลก็ไม่ได้ออกไปช่วยหรือห้ามอะไรไม่นานคนที่บ้านยายก็มาช่วยห้ามปรามเอาไว้แล้วพาคุณยายกลับบ้านแล้วในคืนนั้นเองเวลาประมาณตีหนึ่ง บอตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงคนนี้ไออยู่ข้างนอกบ้านบอ น, นอนกับพี่บอยและห้องของมันจะอยู่ฝั่งหน้าบ้านและเปิดหน้าต่างไว้เพราะอากาศร้อนแต่ปิดมุงลวดเพราะกลัวยุงเลยได้ยินเสียงชัดเจนมันปลุกพี่บอยแต่พี่มันก็ไม่ตื่นบอลมันอยากรู้อยากเห็น ก็เลยแอบมองผ่านมุ้งลวดออกไปก็เจอเป็นเงาของผู้หญิงคนนั้นตะคุ่มเดินเลยหน้าบ้านมันไปตรงกําแพงอีกฝั่งของถนนแล้วหายไปในความมืดถึงมันไม่ชัดมากเพราะมันมืดแต่บอลก็คิดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเพราะเสียงไอแปลกๆนั้นแต่ที่พิกก็คือพริบตาเดียว มันก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งยองๆ อ, อยู่บนกำแพงคอนกรีตแล้วพังงกหัวและโยกตัวหน้าหลังไปมาช้าๆและมีเสียงแหลมๆเล็กๆในลําคอเสียงมันเหมือนเสียงนกกําลังร้องอ้อเอ้ยอ้อเอ้ยอ้อเอ้ยเสียงยันยานเยือกเย็นเป็นระยะระยะบอนกลัวมาก ธรรมดามันก็กลัวผีอยู่แล้วเมื่อเห็นแบบนั้นมันเลยรีบคลุมโป่งนอนเบียดพี่บอ ย, ยจนถึงเช้าพอเช้ามาบ้านยูนิต ท, ที่สองก็มีคนตายและคนตายก็คือหลานชายของคุณยายคนนั้นนั่นเองครับท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจในเช้าวันนั้นคุณยายก็ได้เดินมาสาปแช่ง ปาเข้าของใสยูนิตที่8เป็นระยะระยะด้วยความโกรธแค้นและทุกคนในบ้านของบอนก็ยังคงไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรช่วงบ่ายแม่ของบอนก็ได้ไปช่วยงานศพที่ยูนิตสองทิ้งให้บอลและพี่บอยเฝ้าบ้านกันอยู่สองคนเรื่องมันยังระทึกไม่พอครับขณะที่อยู่กันสองพี่น้อง เวลาตอนนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้วบอนเดินออกมาเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังปีนข้ามรั้วมาที่บ้านของบอนจังหวะจ้องหน้ากับยายป้าคนนั้นตาเลือกโพลงทำท่าตกใจแต่ไม่ได้เกรงกลัวบอลเลยยังพยายามปีนข้ามมาให้ได้อย่างทุลักทุเลบอลเห็นแล้วก็กรีดร้องออกมาดังมาก จนพี่บอยออกมาเจอพี่บอยตะโกนถามทำอะไรเนี่ยป้าปีนรั้วบ้านผมทำไมแต่ป้าก็ยังปีนต่อบอลรีบมาหลบหลังพี่บอยพี่บอยคว้าไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมที่จะฟาดแล้วถ้าป้าปีนมาผมฟาดไม่เหลียงแน่ป้าทําท่าหยุดแล้วจ้องตาพี่บอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วเลิกปีนกลับเข้าบ้านตัวเอง บอนตกใจมากไม่เคยเจออะไรแบบนี้สองพี่น้องรีบวิ่งไปหาแม่ที่บ้านงานศพยูนิตสองทันทีสองพี่น้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังบอนก็เสริมเรื่องเมื่อคืนที่เจอให้ทุกคนฟังด้วยแต่จะด้วยความไม่เชื่อหรือแค่ไม่อยากให้ลูกกลัว พ่อกับแม่ก็ได้แต่บอกว่าอาจจะฝันไปหรือตาฝาดเห็นนกเป็นป้ายูนิตแปดหรือเปล่าแต่เย็นวันนั้นหลังจากฟังลูกๆเล่าพ่อก็ไม่รอช้าไปยืนเรียกป้ายูนิตแที่หน้าบ้านของแกให้ออกมาคุยกันให้หรู้เรื่องจูจูมาปีนบ้านคนอื่นทำไมแต่ก็ไร้วี่แววใดๆของป้าคนนั้น ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆแม้แต่เสียงไอแปลกๆของแกก็เงียบกริบ ป, ประมาณสองสัปดาห์หลังจากนั้นทุกอย่างกลับมาปกติแต่ได้แค่สองสัปดาห์เท่านั้นก็เกิดเรื่องขึ้นอีกคืนนั้นบอ น, นอนกับพี่บอยตามปกติราวๆเที่ยงคืนกว่าก็ได้ยินเสียงไอจากป้ายูนิต8 ไอ้แปลกๆเหมือนเคยแต่มันดังขึ้นเรื่อยๆดังเป็นช่วงๆสลับกับเสียงเบาบอนพยายามปลุกพี่บอยแล้วแต่เขย่าตัวยังไงก็ไม่ตื่นเสียงไอ้ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นจนในที่สุดมันมาดังอยู่ในห้องมันดังในห้องจนเสียงกังวานครั้งนั้นครั้งเดียว บอลกรี๊ดเสียงหลงลั่นบ้านจนพ่อกับแม่วิ่งเข้ามาเปิดไฟแต่ภาพที่เห็นก็คือพี่บอยนอนงายหน้าตาเลือกเบิกโลงอ้าปากค้างพ่อกับแม่รีบเขย่าตัวปลุกพี่บอยยังไงก็ไม่ตื่นทุกคนจึงพาพี่บอยไปโรงพยาบาลทันทีในคืนนั้นหมอบอกว่าเป็นอาการช็อก และให้นอนดูอาการจนเช้าก็กลับบ้านได้พอกลับมาบ้านพี่บอยก็ดูซึมๆมไม่สบายทั้งวันเอาแต่นอนอยู่ในห้องวันนั้นทั้งวันพี่บอยไม่ยอมออกจากห้องจนแม่ต้องเอาข้าวเอาน้ำมาให้ถึงที่ห้องพอตกกลางคืนบอนก็ไม่กล้า น, นอนกับพี่บอยเพราะมันกลัว แต่แม่ก็บังคับให้นอนเฝ้าพี่เพื่อเป็นอะไรขึ้นมาพี่ตัวเองจะกลัวอะไรไรสาระมันเลยต้องจำใจนอนกับพี่บอยไปตามปกติแต่แน่นอนละ่ะมันไม่ปกติแน่คืนนั้นมันได้ยินเสียงไออีบอนตั้งท่าจะวิ่งไปห้องพ่อกับแม่แล้วแต่มันเห็นพี่บอยลุกขึ้นมานั่งยอ ง, ยอง ก็เลยถามพี่บอยว่าเป็นอะไรจะเอาอะไรพี่บอยก็ไม่ตอบเสียงไอแห้งๆของป้ายูนิตแปก็เริ่มออกมาตรงหน้าบ้านแล้วบอเลเผลอเหลือบออกไปมองก็เห็นแกนั่งอยู่ที่เดิมที่ตรงกําแพงฝั่งตรงข้ามถนนพงกหัวโยกตัวเหมือนเดิมเสียงแหลมเล็กในคออ้อเอ้ย อ๋อเอ้ยอ๋อเอ้ยเสียงยันยันยะเยือกเช่นเดิมบอลอยู่ไม่ไหววิ่งไปเคาะห้องพ่อกับแม่ให้มาดูพี่บอยพร้อมกับบอกพ่อแม่ให้ดูป้าคนนั้นที่นั่งอยู่บนกำแพงฝั่งตรงข้ามบ้านแต่พอทุกคนมองออกไปนอกหน้าต่างกลับเห็นเป็นนกเขาแมวตัวใหญ่เบิกตาโพลง ส่งเสียงอ้อ oh, เอ้ยอ้อเอ้ยมันส่งเสียงช้าๆสลับกับโยกตัวไปมาพอใช้ไฟฉายส่องไปที่มันมันกลับอ้าปากกว้างจ้องขเขม็งมาทางนี้ตาไม่กระพริบแล้วเปล่งเสียงอ้อ oh ดังกังวานมากพอเหมือนรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่าง จึงตะโกนไล่มันไปซะถ้าไม่ไปกูจะยิงเดี๋ยวนี้ฝังแม่ก็พยายามปลุกพี่บอยให้ตื่นจนสุดท้ายพี่บอยก็ยอมนอนลงไปได้สักพักในขณะที่ตายยังหลับแต่พี่บอยกลับเปล่งเสียงแหบแ ห, บแห้ ง, หงออกมาว่าจ้าพร้อมกับยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอ ทั้งที่ตายังหลับอยู่อย่างนั้นบอนคนลุกไปทั้งตัวแล้วรู้สึกได้ว่าพ่อกับแม่ก็รู้สึกเหมือนกันพ่อไม่รอช้ารีบเดินไปหยิบพระในห้องมาคล้องคอพี่บอยพร้อมกับเอาปืนมาด้วยทุกอย่างจึงดูสงบลงทุกคนตัดสินใจนอนด้วยกันกันกบพี่บอยทั้งพ่อแม่และบอล เพราะไอบอลมันไม่มีทางนอนกันลำพังสองคนพี่น้องแล้วแน่แน่พอถึงตอนเช้าแม่ตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าครึ่งก็ลงมาเตรียมทำอาหารเช้าข้างล่างขณะจะเอาขยะออกไปทิ้งหน้าบ้านแม่เห็นคุณยายยูนิตสองมายืนอยู่หน้าบ้านป้ายูนิต8โดยคุณยายยืนข้างนอกรัว้ว พอเห็นแม่ของบอลก็หันขวับมาจ้องแม่บอลแต่ไม่พูดอะไรเลยแม่บอกว่ายิ้มให้ยายยายก็ไม่ยิ้มกลับถามว่าคุณยายมาทำอะไรตรงนี้แต่เช้าแกก็ไม่ยอมตอบแต่สิ่งที่ทำให้แม่ขนลุกก็คือสายตาของคุณยายที่จ้องเขม่งมาที่แม่อย่างไม่ยอมละสายตาจนแม่เอาขยะไปทิ้ง และเดินกลับเข้าบ้านไปแบบงงๆพอตอนสายๆคุณยายยูนิตสองก็เดินมาเรียกให้แม่ออกไปคุยบอนเห็นแม่ยืนคุยกับคุณยายครู่หนึ่งก็กลับเข้ามาในบ้านชวนบอนเดินขึ้นไปดูพี่บอยบนห้องนอนแม่จุดธูปหนึ่งดอกพร้อมพนมมือสวดอะไรไม่ทราบ ทำปากขมุบขมิบในลำคออยู่ไม่กี่คำแล้วปักทูบโดยเอาด้านที่ติดไฟปักลงดินที่หน้าบ้านแม่มาเล่าให้พ่อฟังทีหลังว่าคุณยายยูนิตสองเดินมาบอกว่าป้ายูนิต8จะมาเอาชีวิตพี่บอยพร้อมกับให้วิธีป้องกันมาหลังจากเหตุการณ์แปลกๆด้วยความสับสนและความกลัว แม่จึงยอมทําตามก็คิดว่าไม่เสียหายพ่อได้ยินเลยรีบวิ่งขึ้นไปดูพี่บอยภาพที่เห็นก็คือพี่บอยกําลังชักเกรงตาค้างเบิกโพรงปากอ้าค้างแต่คราวนี้ตัวพี่บอยกระตุกไปมาบอลบอกว่ามันทั้งสงสารและน่ากลัวไปหมดทุกคนจึงรีบพาพี่บอย ไปโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ก่อนออกจากบ้านก็เห็นป้ายูนิตแออกมาเกาะขอบรัว้วมองมาที่บ้านบ่อยพร้อมกับเปล่งเสียงเหมือนนกเขาแมวตัวนั้นอ้อเอ้ยอ้อเอ้ยอ้อเอ้ ย, อยส่งเสียงช้าแต่ดังกังวานชัดเจนและรู้ได้ทันทีว่า มันออกมาจากปากยายป้าคนนี้แน่นอนระหว่างทางแม่ก็ถามพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อก็บอกว่าวิธีปักธูปกลับหัวมันเอาไว้สาบแชง่งหรือบูชาผีน่ะสิได้ยินแบบนั้นบอลกับแม่ก็ขนลุกระหว่างทางไปโรงพยาบาลยังเห็นนกเขาแมวบินตัดหน้ารถ และบางทีก็ยังได้ยินเสียงอ้อเอ้ยดังช้าช้าเย็นเยือกกล้องจังวานมาแต่ไกลอีกด้วยทุกคนนั่งนิ่งแทบไม่พูดจาอะไรกันท่ามกลางความเงียบพี่บอยก็เปล่งเสียงขึ้นมาว่าจา้าเท่านั้นแหละแม่ถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อาย แม่ร้องไห้จนถึงโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าพี่บอยจะเป็นอะไรพอไปถึงโรงพยาบาลก็ค่อยเบาใจไปหน่อยแต่โชคไม่ได้เข้าข้างครอบครัวของบอล น, นักเพราะพี่บอยผี่ชายของมันเสียในคืนนั้นที่โรงพยาบาลแม่ร้องไห้จนใจจะขาดทั้งสบดคํหยาบด่าทอผีสางออกมา ย่างไม่เคยเห็นมาก่อนครอบครัวของบอลที่เหลืออยู่ก็หอบหิ้วกันกลับมาที่บ้านอย่างทุลักทุเลด้วยที่ยังตกใจและงุนงงต่อเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วพอๆกับที่แม่ออกไปยืนตะโกนด่าทอสาบแช่งป้ายูนิตแตั้งแต่ตอนไหนไม่มีใครทราบ พอตั้งสติได้พอเขาเรีบไปเอาตัวแม่เข้ามาบ้านงานศพผ่านไปท่ามกลางความงงของทุกคนในบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อยู่ดีๆทำไมถึงต้องมาเสียลูกเสียพี่ชายไปโดยสาเหตุมาจากแค่ช็อกจนหัวใจล้มเหลวจากปากแพทย์แค่นี้หรือ ครอบครัวของบอลต้องมาจัดงานศพของพี่บอยที่กรุงเทพและได้ย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีหลังจากงานศพเสร็จสิน้นพ่อของบอลลาบวชสามเดือนและหลังจากนั้นหลายปีมากพ่อจึงยอมเปิดปากกับทุกคนว่าขณะที่ไปบวชได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอาวุโสที่เป็นพระอาจารย์ให้ท่านฟัง ท่านจึงบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีที่คนมีอาคมแก่กล้าเลี้ยงเอาไว้แต่เจ้าของมันคงทำผิดศีลจึงทำให้นางผีตนนี้กินเจ้าของจนตายแล้วออกมาอาลวาดโดยมันจะเรียกเจ้าของว่าพ่อมันคงแปลงเป็นนกแล้วเรียกหาพ่อของมันตามที่ได้ยินว่าอ้อเอ้ย อ้อเอ้ยอ้อเอ้ยซึ่งก็น่าจะแปลว่าพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยแล้วตามเอาชีวิตคนที่มันต้องการไปเรื่อยๆส่วนยายยูนิตสองที่มาหลอกแม่พ่อบอกว่าคงจะเป็นเพราะนางผียูนิตแปดเข้าสิงหรือใช้อำนาจบังคับ หรือแปลงกายมาหลอกใช้แม่นั่นเองและจนถึงตอนนี้ครอบครัวของบ่อนก็ไม่เคยย่างกลายกลับไปที่นั่นอีกเลยครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากท่านสมาชิกเว็บพันทิปหมายเลข4035026ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟัง มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook แฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ